ท่านเมืองเราน่ากลัวคนมีความรู้ความสามารถมีมากนะอัตราคนรู้หนังสืออัตราอะไรพวกนี้ของเราสูงแต่ว่ามันเป็นสังคมที่คอรัปสังคมที่ค่อนข้างทุจริตนักการเมืองก็ไม่ซื่อกับประชาชนใช่ไหมแต่ละคนแต่ละคนก็มีปัญหาทางนั้นเลยเราทำเป็นยิ้มยิ้มนะในบ้านเรามีปัญหาไหมก็มีเหมือนกัน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 คุณธรรมจริยธรรมให้พวกเราด้วยแทนที่เราจะเป็นคนเก่งแค่เก่งทันิศาสตร์อย่างเดียวไม่พอนะคนเก่งอย่างเดียวไม่มีคุณธรรมจะเป็นคนเก่งที่ชั่วเป็นคนชั่วที่น่ากลัวที่สุดเลยน่ากลัวกว่าพวกโง่โง่ที่ช่วเงี้ยพวกเราต้องฝึกฝนตัวเองวิชาความรู้ทางวิชาการเราต้องต้องพัฒนาให้ทันโลกแต่ทางจิตใจเราต้องทันใจตัวเองไม่ใช่ทันโลกข้างนอกนะ มิชาการเราต้องทันโลกแต่ว่าด้านจิตใจเราต้องรู้ทันใจตัวเองให้มากคนไหนไม่รู้ทันใจตัวเองจะตกเป็นเหยื่อจะไม่นะพวกเด็กๆเราจะกลายเป็นเหยื่ออย่างคนเขาผลิตสินค้าอะไรขึ้นมานะเขามายั่วเราให้เราอยากได้เราอยากได้ก็หาเงินมาะขอพ่อขอแม่นะพ่อแม่ก็ลําบากจะแย่อยู่แล้วยุคนี้นะเราก็อยากได้เรามีความอยากเยอะบางคนก็หา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 นำะแจกนะโ้หลงทุนไม่ใช่น้อยๆนะเล็มๆหนึ่งอุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจทํานะพยายามเอาเนื้อหาธรรมะที่หลวงพ่อสอนนะเอามาแปลให้ง่ายๆความจริงถึงไม่แปลเด็กรุ่นนี้ก็ค่อนข้างรู้เรื่องนะเด็กรุ่นนี้ไม่โง่หรอกมันแกล้งโง่แกล้งโง่ตามใจกิเลสเท่านั้นเองนิดขั้นแรกเลยนะถ้าเราอยากพัฒนาจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นไป ข้นแรกเลยเราต้องมีศีลก่อนพยายามถือศีลห้าศีลห้าเป็นเรื่องของคนฉลาดนะศีลห้าไม่ใช่ถือไปให้ลำบากแต่คนที่มีศีลเนี่ยจะมีความสุขอย่างคนที่คิดจะไปฆ่าเขาคิดจะไปต่อยเขาใช่ไหมลำบากกว่าคนที่ไม่ฆ่าใช่ไหมคนที่คิดจะ ไ, ข ไ, จะไ ป, ปขโมยเขานเนี่ยมันลำบากกว่าคนที่คิดจะไม่ขโมยคนที่จะไปเป็นชู้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันลำบากกว่าคนที่ซื่อสัตย์กับคู่ของตัวเองย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 เดี๋ยวเราไปพูดทีหลังไม่เหมือนกันเขาจับได้ส่วนคนพูดความจริงไม่ต้องจำมากความจริงมันไม่ต้องจำใช่ไหงั้นอย่างคนมีศีล น, นะสบายอย่าไปนึกนะว่าเราถือศีลแล้วลำบากคนบางคนเข้าใจผิดว่าถือศีลแล้วจะลำบากจริงๆศีลทำไหมเรามีความสุขเรามีความสบายนะมีศีลอย่างเดียวท่านี้ไม่พอนะแค่นี้ยังไม่พอที่จะสู้กับสิ่งยั่วยุน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 แเราต้องคอยดูให้รู้ทันนะใจเราเกิดความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นนะมันอยากโน้นอยากนี่ขึ้นมาเรารู้มันโมโหขึ้นมาเรารู้นะมันเมอมอะมันใจลอยรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหมอะไหมไปสังเกตนะวันหนึ่งเหมอบ่อยเมอทั้งวันเลยนะเดี๋ยวก็เมอแวบบเดี๋ยวก็เมอแวบบอย่างตอนนี้น้องมุกเมอะไปแล้วนะใจหนีไปคิดแ ป, ป, ป, ป๊๊บแปไปนีเนี่ยพอศเนี่ยใส่เสื้อพอศกาลังใจลอยไปรู้สึกไหม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 เนั้นต้องฝึกนะต้องฝึกมันเป็นศาสตร์ของความพ้นทุกขศาสตร์อันนี้ต้องเรียนนึกเอาเองไม่ได้พวกเราบางคนอยากปฏิบัติอยากพ้นทุกขนะก็ไปนั่งสมาธิให้ใจนิ่งๆเคลิ้มๆรูปหลู่รูปหลูลล่นเรานั่งเราเห็นโน้นเห็น น, น, น, นี่อะไรอันนั้นไม่ใช่าศาสนาพุทธแท้ๆหรอกเป็นผิวๆเป็นเปลือกๆเท่านั้นเองเนื้อหาของศาสนาพุทธแท้ๆก็คือเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองนะ คอยรู้กายคอยรู้ใจของตัวเองบ่อยๆเนี่ยลูกเสือเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมมันลืมตัวเองเห็นไหมใจปุ๊บหนีไปเที่ยวแล้วใจมันไปคิดน้องมุกก็หลงไปคิดแล้วเห็นไหมเนตรนารีนั้นก็หลงไปแล้วนะเสื้อเขียวเขียวใช่ไหมเขาเรียกเนตรนาร่ะ ม, มันแปลว่าอะไรอะ่ะลู ก, กตาผู้หญิงหรือผู้หญิงที่มีลู ก, กตา <c oughs> ก็ไปดูนาะมนแปลว่าอะไรนะ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 การเรียนก็จะดีขึ้นด้วยเพราะจิตใจมันจะสงบจิตใจไม่ฟุ้งซ่านหรอกจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นเรียนหนังสือก็จะดีขึ้นเรียนง่ายขึ้นภาวนาไปเอะดีทั้งน้านเลยนะหรืออย่างเราหนุ่มหนุมสาวสาวใช่ไหมอยากมีแฟนอยากมีกิ๊กอะไรเนี่ยเราภาวนาไปนะเรารู้ทันใจเราต่อไปเราจะรู้ทันใจคนอื่นด้วยมันมาไม้ไหนนะเรารู้ทันมันหมดเลยมันจะมาหลอกเราไม่ได้หรอกเพี้นแต่เราเต็มใจให้มันหลอกนะ แล้าใครรู้สึกนะหัดดูของเราไปเรื่อยๆนะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกนะสังเกตไหมตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดสังเกตไหมใจหนีไปคิดละดูออกไหมไหลปุ๊บปุ๊บปบปุ๊บดูออกไหมนะมันจะแอบไปคิดแลนะใจของเราเนี่ยฝันตลอดเวลาใจของเราไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะเวลาเราหลงไปคิดนะบางทีเราก็คิดตามกิเลสไป คิดไปตามความอยากคิดไปตามความโกรธคิดไปแตอะไรสารพัดนะใจเราไม่มีความสุขหรอกนะให้คอยรู้สึกตัวใจไหลไปรู้สึกใจไหลไปแล้วรู้สึกนะใจมันจะไหลไปคิดตลอดเวลาถ้ารู้สึกได้ต่อไปใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้ว่าศาสนาพุทธนะเป็นศาสนาที่มีอะไรอยู่นะไม่ใช่ศาสนาที่ว่างเปล่าสอนสอ น, สอนเลื่นเล่นลอยล อ, ยลอยเป็นปรัชญาไม่ใชนะ่ไม่ได้สอนให้เราเชื่อด้วย แต่ว่าบอกวิธีให้เราพิสูจน์ด้วยนะวิธีพิสูจน์ศาสนาพุทธนะก็คือรู้สึกตัวขึ้นมาคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกพยายามรู้สึกบ่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้ว่าศาสนาพุทธสอนอะไรถ้าใครทําตามที่หลวงพ่อบอกนะประมาณเดือนเดียวท่านนะก็จะเริ่มเข้าใจแล้วมีคนไปหาหลวงพ่อเยอะแยะแต่และวันหลายร้อยคนนะเยอะแยะไปเรียนไปเรียนนะเวลาให้ส่งกันบ้าน บอกหลวงพ่อกันทุกวันมีทุกวันนะบอกว่าชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปหมดละอย่างบางคนมีแต่ความทุกข์มานานนะจมอยู่ในความทุกขนะ์มาหัดรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจตัวเองความทุกข์ตกหายไปแล้วนะนั้นพวกเราฝึกนะเดี๋ยววันหนึ่งเราจะได้ลิ้มรสชาติของความสุขมันเป็นศาสนาที่ประหลาดมากเลยไม่ได้สอนให้เชื่อแต่สอนให้เราพิสูจน์ด้วยตัวเอง บอกกระทั่งวิธีที่จะพิสูจน์วิธีพิสูจน์ก็คืออย่าลืมตัวอย่าใจลอยไปนะคอยรู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวแต่อย่าไปเพ่งให้นิ่งนะอย่าไปบังคับให้นิ่งพวกเราหลายคนภาวนาแล้วชําเอานิ่งภาวนานิ่งๆจะได้อะไรขึ้นมาก็ได้ความนิ่งนะเราต้องการให้เห็นความเป็นจริงในกายในใจร่างกายเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาจิตใจของเราเคลื่อนไหวตลอดเวลา น, นี่คือความจริงของมันงนะั้นเราคอยรู้ทัน ถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเนี้มันทํางานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงค่อยฝึกนะแล้วเราจะมีความสุขที่สุดเลยหลวงพ่อหัดภาวนาครั้งแรกอายุเจ็ดขวบเองคง น, น้อยกว่าน้องมุกตอนนี้ใช่ไหมถึงเจ็ดขวบยังถึงแล้วนะอหัดเจ็ดขวบนะหัดภาวนาตอนนั้นไปเรียนจากท่านพ่อหลีวัดอโศกกรามหัดหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ย ฝึกแล้วได้แต่ความสงบไม่ใช่ท่านไม่ดีนะท่านดีแต่ว่าเราเด็กมากตอนที่ไปเรียนท่านเลยสอนพื้นฐานทำใจให้สงบ ก, ก่อนยังไม่ได้สอนถึงขั้นเจริญปัญญาแล้วท่านก็มรณาภาพไปก่อนหลงพ่ก็เลยไม่มีอาจารย์ภาวนาเอาเองหายใจเอาเองทุกวันทุกวันนะฝึกทุกวันเลยจนถึงอายุ29แล้วถึงได้เจอครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ดูลใครเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ดูลบ้างไหมมีไหม ยุคนี้คนได้ยินชื่อนะยุคหลวงพ่อไม่มีคนรู้จักหรอกสมัยที่หลวงปู่ดูลยังอยู่นะท่านเป็นพระที่มีความสุขมากเลยเพราะเป็นพระที่ไม่มีคนรู้จักสบายพระที่คนรู้จักไม่มีความสุขเลยนะเหนื่อยวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่หลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลนะไปเรียนเดืท่านไปถึงก็เข้าไปกราบบอกหลวงปูค่ครับผมอยากปฏิบัติแทนที่หลวงปู่จะสอนนะหลวงปู่กับนั่งหลับตานั่งนิ่งนิ่งไปเกือบชั่วโมงนะี่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 ปล่อยไปนะใครรู้สึกนะรู้สึกของเราเองไม่ยากเท่าที่คิดนะหลวงปู่ดูดบอกหลวงพ่อว่าไม่ยากแล้วหลวงพ่อก็พบว่าไม่ยากจริงๆง่ายเท่าง่ายกว่าที่คิดเยอนะเลยไม่ใช่เรื่องต้องบังคับตัวเองมากมายมีใครจะคุยกับหลวงพ่อบ้างม้ไหอจะใช้วิธีไหนที่จะคุยกันสรเทศนานๆเนี่ย เดี๋ยวเด็กลับไม่ไหวมีคนมีคนต่อคิวอยู่ครับเลืแต่เป็นเด็กทั้งหมดเลยครับอืไหนวาดไปเลยมาเจ้าที่ขอขอไหมเห็นไหมน้องมุกตื่นเต้นเห็นไหมตื่นเต้นทํำยังไงดีรู้ว่าตื่นเต้นนะเให้คอยรู้ทันตัวเองนะอก็ช่วงนี้หนู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 ให้ที่หลวงพ่อถามหมายถึงว่าทำไมรู้ว่าเพ่งอ่ะ อ, อ, อาจารย์ซุปสอนหรือเปล่าเรื่องเผลเรื่องเพ่งอะไรเนี่ยโอ้อาจารย์ดีมากนะสอนคณิตศาสตร์นะก็มีประโยชน์กับเราเอาไปทำมาหากินอะไรเงี้ยนะแต่สอนศาสตร์ของจิตใจเนี่ยที่อาจารย์สอนให้รู้ทันใจตัวเองเนี่ยจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขคนในโลกนี้ต้องการความสุข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 นะถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันชั่วไม่ได้หรอกงั้นเราฝึกรู้สึกตัวนะรู้สึกไปเรื่อยอย่างครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ก็ชอบสอนใช่ไหมบอกให้เราเป็นเด็กดีใช่ไหมถามแล้วเป็นเด็กดีทํำยังไงตอบไม่ถูกแล้วนะผู้ใหญ่ดีทํายังไงผู้ใหญ่ยกงตอบไม่ถูกเลยเนีย่ยมากระเกณฑ์ว่าเด็กจะต้องเป็นเด็กดีแต่วันนี้หลวงพ่อบอกไดนะ้ถ้าเราอยากเป็นเด็กดีนะหรือแล้วอยากเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นให้คอยรู้ทันตัวเองไว้ รู้ทันใจของเราไว้ถ้ารู้ทันใจตัวเองได้นะมันดีเองแหละแล้วมันมีความสุขเองแหละนะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเลยเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งเลยนะเป็นศาสตร์ที่ลึกลับมากเลยลึกซึ้งมากด้วยเราพุทธเจ้ากว่าจะค้นพบได้นะใช้เวลาลองผิดลองถูกตั้งนานนะนะนี่พอท่านค้นพบขึ้นมาแล้วมันเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆรู้สึกตัวหยาดใจลอยนะรู้สึกไปนะจิตใจเราเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเราเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้สึกไป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 งั้นทุกวันเราต้องแบ่งเวลาไว้นิดหน่อยนะสักสินาทีอะไรเงี้ยไม่มากนักหรอกเดี๋ยวไม่มีเวลาเรียนหนังสือหรือเวลาเราจะไปเดินไปห้องน้าเวลาเราจะกินข้าวอะไรเนี้ยเราแบ่งไเอาเวลาพวกเนี้ยมาสังเกตใจเราบ่อยๆ อ, นะอย่างทุกวันเราแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์ซะหน่อยนะไหว้พระสวดมนต์ไปแล้วใจเราหนีพิคิดเรารู้ทันใจหนีพิคิดเรารู้ทันถ้าฝึกอย่างเนี้ยต่อไปสติจะเกิดเร็วถ้าไม่ซ้อมนะ้ามันก็ไม่เกิดเหมือนนักมวยอ่ะ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 ตื่นเต้นเลยไปกดเอาไว้นะเตรียมไว้กี่คนจันอะไเนี้ยี่สิบเหรอมาสู้ตายมาน้องตุ๊กตาคะคือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนขี้อายค่ะต้องใช้หลักธรรมอะไรคะที่ทไม่ต้องขี้อายก็ดีกว่าหน้าด้านเราเพียงแต่ว่ามันอายขึ้นมามันประมาะใช่ไหมมันประมาอะไรเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเรา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 อย่าให้สืบหน้าตอนนั่งแล้วก็นั่งอย่างนี้อย่างนี้ไปเข้าไปข้างในอย่างนี้ไม่ดีนะอย่ามรู้สึกรู้สึกไว้อย่างตอนเนี้ใจมันแอบไปคิดทราบไหมมันสงสัยใช่ไหมใจมันเกิดความสงสัยขึ้นมามันก็หนีไปคิดถ้าเราภาวนานะใจสงสัยเรารู้ว่าสงสัยไปเลยอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดเราก็รู้ว่าใจไปคิดละวคอยรู้ทันเรื่อยๆอย่าเอาแต่นั่งสมาธิให้สืมนะต้องนั่งด้วยความรู้สึกตัว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 ตอนตั้งแต่อนุบาลก็รู้จักแต่ให้นั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับ อ, อาทิตย์เลยครับก็เพิ่งมาได้ยินเขาว่ารู้สึกตัวก็กับพี่สูปครับตอนม อ, อยู่มห้ามมหกครับก็จากนั้นก็ผมก็ไปไปเจอไปหาอาจารย์ดังตินนะครับที่งานสัปดาห์หนังสืออาจารย์ดังตินเ้าก็แนะนำให้ผม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 รู้สึกไหมว่าเราน้อมใจให้นิง่งถอยขึ้นมารู้สึกตัวเป็นธรรมชาติธรรมดานะแล้วก็เห็นร่างกายนี่หายใจไปมีความรู้สึกตัวอยู่เห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยเยแล้วก็ค่อยครู้สึกไปร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดนะจิตเป็นยังไงรูร้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเอาพอละพอละอย่านั่งให้ซึมนะที่นั่งอยู่นั่งแบบนั้นมันจะซึมไหม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 ส่วนพวกเราหัดภาวนานะเราจะเผลอแวบหนึ่งรู้สึกแวบหนึ่งรู้สึกนาทีหนึ่งบางคนเผลอได้ตั้งสามสิบครั้งเลยเก่งมากเลยนะยิ่งมากยิ่งแสดงว่าสติเกิดบ่อยนะอย่างน้องหมวยรู้สึกไหมใจโล่งโล ง, ลงสบายขึ้นมาละตอนนี้ใช่ไหมหมดภาระจะถามหลวงพ่อแล้วใช่ไมนะใจก็โล่งขึ้นมาเราก็รู้ทันนะแล้วไงอีก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 จันซุปสอนลูกศิษย์เก่งนะลูกศิษย์พอส่งกันบ้านเสร็จนะใจสว่างขึ้นมาเป็นแถวเลยนี่จาันซุปเลือกมาหรือเปล่าเนี่ยเลือกมาแบบเจ๋งๆมาให้หลวงพ่อดูหรือเอ้าวต่อไปต่อไปหมดหรื อ, อยังนมัสการครับอยู่ไหนหลวงพ่อไม่เห็ น, นยกมือยกมือก็คือหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมากําลังรอหาว่าจะถามคําถามใครดีครับแล้วก็คือใจมันอยากถามแต่ว่า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 คือควรจะหลับหรือไม่หลับนะอยู่ที่สบายใจัหมถ้าสบายใจนะแป๊บเดียวก็หลับละอย่างเวลาเรานอนไม่หลับเรากลุ้มใจเมเราไม่สบายใจแล้วถ้าเราไม่สบายใจเรากลุ้มใจนะจิตใจยิ่งไม่มีความสุขจิตใจที่ไม่มีความสุขจะไม่มีความสงบแต่ถ้าเรามีความสุขนะสบายรู้สบายยแป๊บเดียวก็หลับแล้วถ้าเป็นคนปฏิบัตินะคนไหนมาบอกหลวงพ่อว่ามันไม่ยอมนอนหลวงพ่อบอกโชคดีแล้ว วันนี้เราจะภาวนาทั้งคืนเลยถ้าคิดอย่างนี้นะห้านาทีก็หลับแล้วแล้วเมื่อี้เวลาฟังหลวงพ่อเทศครับมันง่วงรู้ว่าง่วงเอ้วมันก็จะหลับแล้วบางทีมันก็เผลอไปหลับ น, นิดนึงแล้วมันก็ดุ่งขึ้นมามแล้วมันก็ง่วงก็นั่งมันก็ง่วงง่ายแหละถ้า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 เราที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกกับนิสัย ต, ตัวเองหรือเปล่าพยายามเคลื่อนไหวให้เยอะกว่านี้นะถ้าเป็นนั่งมากๆเหยีซึมนะจิตมันพร้อมจะเข้าไปหาความสงบพยายามไปทํางานอะไรไว้กระดุกกระดิกไว้เคลื่อนไหวนะอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมใจไหลรูปไปเลยเราก็รู้ทันเมื่อกี้ไหลไปข้างซ้ายหรือข้างขวาดูออกไหมเออนะเวลาไหลไหลเอียงๆได้ด้วยนะไม่ใช่ไหลตรง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 แล้วเราก็บอกเขาบอกว่าให้มาเรียนทำรร ม, มา้าเถอะเขาไม่รู้จะเรียนทําไมเพราะเขาก็เห็นแล้วว่าเราก็ไม่ได้ดีอะไรกว่าเขางนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนคนอื่นนะแล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือเวลาหนูเห็นคนข้างๆมีปัญหาค่ะคือเราชอบเก็บเอามาคิดอะค่ะเหมือนกับคิดแทนเขาแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นห่วงเขาจนเราทุกเองอะค่ะให้เรารู้ทันใจเรานะเราไปทุกแทนคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรหรอก พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง <Yeah. S 1> คือใครทำอะไรก็จะต้องได้อย่างนั้นเราเขาทำของเขามาอย่างนั้นเขาจะต้องมีความทุกข์เราจะไปแก้อยากให้เขาหายทุกข์เลยนะี่เป็นไปไม่ได้เพราะเราต้องรู้นะว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เราไปบังคับให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกหรือบังคับให้เขาสนใจธรรมานี่ไม่ได้หรอกแต่เราทาตัวเป็นตัวอย่างให้เขาดูสิคือใหเอาทาตัวแล้วค่ะแต่แบบ หนูชอบประมาณว่าพยายามจะพูดให้เขาเข้าใจอะค่ะแต่บางทีให้เรารู้ ท, ทันความอยากของเราเรากำลังอยากให้เขาเข้าใจนะให้รู้ทันวความอยากความอยากเนี่ยนำความทุกข์มาให้ตัวเองเมื่อรู้ทันตัวเองให้มากๆนะมีคนไปเรียนกับหลวงพ่อนะบางทีก็ผู้หญิงไปบางทีผู้ชายไปเสร็จแล้วกลับบ้านไปยังมีผู้หญิงมาเรียนกลับบ้านไปนะสามีเริ่มพบความเปลี่ยนแปลงภรรยาแต่เดิมนี้นะ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 ดีครับคุณคัะครับนิมมสการพระอาจารย์รยกมือหน่อยหลวงพ่อไม่เห็นค เ, เคยอ่านในหนังสือของพระอาจารย์เรื่องสมมุติบัญญัติกับอารมณ์บัญญัตินะครับอบางทีรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันนะครับผมสมมติบัญญัติกับอะไรนะกับอารมณ์บัญญัติครับผมก็คือตัวสมมุติบัญญัตินั่นแหละแต่คําว่าอารมณ์ในทางศาสนาพุทธนะั้หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้นะเป็นสิ่งที่ถูกรู้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 เ, เชิญคนต่อไปน้ำพรสการหนะครับพ่อจะเรียนถามหุ่งพ่อว่ากรณีถ้าเราปฏิบัติในด้านของสมถ า, ากรมฐานเนี่ยนะมันก็มีเรื่อ ง, องการคิดเนี่ยนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไปแล้วเนี่ยเราพิสูจน์ออกมาแล้วมันก็เป็นจริงตามได้ได้ไดเ อ, อมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะปรเด็นทหนึ่งครับส่ว น, นกรณีถ้าเราได้ถึงด้านสมถ า, าแล้ว เ, เราจะหันมาทา ง, งวิปัสสนาเนี่ยผมยังไม่เข้าใจว่าในส่วนวิปัสสนาเนี่ยนะ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 เห็นไหมทำเพื่อแก้กิเลสนั่นเป็นสมถกรรมฐานนะต่อไปนี้เอาใหม่เห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะแยกกายกับใจออกจากกันกัอนจิตของเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเรื่อยๆรนะนี้ถึงจะเตือนปัญญาได้เคยมีคนถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะถามท่านอาจารมหาบัวบอกถ้าผมทําสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมท่านบอกไม่เกิดเราคนละเรื่องกัน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 ต้องไ ง, งสังเกตไหม <วะ S 1> ตอนนี้จิตมีแรงกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมใจมีแรงมากขึ้นนะค่อยๆสังเกตไปตห<า>ัดรู้สึกตัวนะรู้สึกไห้ใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้อ้าวต่อไปได้กี่คนแล้วก็ไม่รู้เนาะอาจารย์ซุปสอนเด็กได้ดีนะสอนเด็กได้ดีหลวงพ่อว่าดีกว่ามีแต่วิชาการ นี่หลวงพ่อไม่มีลูกนะไม่งั้จะส่งมาเรียนกับอาจารย์ซุปนะนิทรรการหลวงพ่อนะคะคือตอนนี้หนูดูจิตคราที่แล้วที่สิ้นปีไปหลวงพ่อบอกว่าหนูกดไว้นิดนึงค่ะแต่คราวนี้หนูกลับไปดูจิตเหมือนกับไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกตัวเหมือนกับดูหรือดูดูรู้หรือไม่รู้ไม่รไมทราบอะค่ะอืมก็เลยคิดครั้งแรกตอนนี้ไม่ค่อยกดละแต่ไม่กดเนี้ยแต่มันไม่ค่อยยอมรู้สึกนะใจ<ช>มันชอบคล่ําครวญรู้สึกไหม หลวงพ่อก็กล่าวไว้คราวที่แล้วค่ะอะไรนะหลวงพ่อก็พูดว่าหนูคล่าครวนค่ะหนูเพิ่งไม่รู้ตัวเองตอนอาบน้ำว่าหนูคล่าครวนตลอดเลยละดูไปนะรู้ทันตัวเองรู้สึกไหมตอนเนี้ใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาพอเรารู้ทันตัวเองว่าคล่าครวนนะใจก็ตื่นแล้ะถ้าเมื่อไร่เรารู้ทันตัวเองนะเมื่อนั้นเราจะตื่นขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่เราไม่รู้ทันตัวเองไม่รู้ทันกายรู้ทันใจของปัจจุบันมันก็จะหลงไปหลับเนี่ยเนี่ยเริ่มคล่าครวนอีกแล้วรู้สึกไหม หนูรู้สึกว่าหนูอาจจะไม่รู้สึกตัวค่ะไม่เป็นไรแค่ว่าใจมันคล่าครวญแล้วคอยรู้ทันไว้คือหนูกลัวค่ะคือปีหนึ่งกลับมาเมืองไทยครั้งเดียวแล้วเขานี่กลับมากลั ว, ล ว, ลวรู้ว่ากลัวไปเลยนะไม่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะที่เป็นปัจจุบันเนี้ยรู้ไปเลยนะแค่เนี้ยเราไม่พลาดละโอเคค่ะเขาน่ามาส่งการบ้านใหม่ปีตอนนี้นะเผลอแล้วรู้สึกไหม<ฆ>คิดถึงาวหน้าไปแล้ใจหนีไปอาาคตล้ ดูออเปล่าเผอตั้งแต่ยกมือครั้งแรกเราค่ะที่น้องๆถามหนูไม่รู้ตัวอ่าเนี่ยเห็นไหมค่ําครวญ น, น้อยลงดูอออกไหมชัดเก่งแล้วนะไม่งั้นพูดทุกประโยชน์จะต้องค่ําครวญดูอออกใช่ไหมหลวงพ่อไม่ได้ใส่ร้ายใช่ไหมะนะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วค่ําครวญ น, น้อยลงแล้วขอบคุณค่ะคนค่ําครวนมากๆไม่มีใครชอบหรอกเชื่อหลวงพ่อหนูไม่ที่อยากคล้ำควรวญเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว <laughs>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 ก็คือก็ดูจิตแล้วแบบบางทีก็รู้สึกว่ามีอารมณ์แบบเศร้าๆอะไรเงี้ยเออ<ก>นั่นนให้รู้ทันนะเรามีวิญญาณนางเอกเวลาผู้หญิงเป็นเยอะนะชอบทำใจให้เศร้าๆเจ็บๆแสบๆในใจเนี้ยแสบๆนิดๆเน้ยสะใจดีอะไรเงี้ยเราต้องคอยรู้ทันเหมือนนะมันเศร้าๆขึ้นมารู้ทัน ย, ยอมมันคือบางทีรู้แล้วมันก็ยังเป็นอยู่อะไรเงี้ยมันเคยชิน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 รู้ทันทุกอย่างที่มันเกิดในไกาในใจรู้เล่นๆไปครับกลับมานมัสการอีกครั้งครับอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ครับ<น>อก็คืออยากรู้ว่าที่ตนเองทํามาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าแล้ว อ, อย่างที่สองเมื่อกี้ฟังมาแล้วอยากจะส่งกันบ้านแต่ว่าเนี่ยเป็นการพบหลวงพ่อครั้งแรกแต่ว่าครั้งต่อไปไม่รู้จะพบเมื่อไหร่จะถามว่าจะส่งกันบ้านได้ที่ไหนแล้วก็ <laughs> ถามว่าตนเองทํามาถูกหรือเปล่าครับสองคำถามครับเดยวเอย่าไปบังคับตัวเองแรงนะ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 อาจรยธีรยุทธ์หยุดสอนที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันรัศการเจ้าคพระอาจารย์อยู่ไหนอยู่ไหนจะขอเรียนถามว่าแล้วเวลาที่เราคิดเรื่องงานหรือคิดอะไรที่เป็นเรื่องๆที่เราจําเป็นต้องคิดนี่เรารู้เรารู้ทันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็แสดงว่าถูกต้องถูกต้องแล้วเวลาที่ถ้าเราเกิดปกติมันก็จะอย่างที่พระอาจารย์พูดแะคะเวลาสวดมนต์ก็จะหลงไปเรื่อยคิดเรื่องนู่นนี่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่พอเราอันั้นคอยรู้ทันเอานานๆคอยรู้ทีนึงก่อน แม้แ่านเราจรู้ได้แล้วมันจะถี่ขึ้นเองอ๋อเราจะต้องพยายามรู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมรู้บ่อยๆแล้วเวลาเดินจงกรมนี่ก็ยังง่วงนอนทําไงเจ้าคะเดินจงกรมยังง่วงอีกเหรอเจ้าค่ะเดินแต่เช้าเช้าเลยไม่ใช่หมดแรงแล้วไปเดินก็ง่วงนะอ๋อถ้าเดินตอนทุนใหญ่จะเดินตอนกลางคืนนะนั่นแหละเราหมดแรงแล้วมันต้องการพักผ่อนแล้วมันไม่ไหวอ๋อหยู่ในชีวิตประจำวันนี่เช่นเราจะเดินไปเข้าห้องน้ํารู้สึกตัวเนี่ยเรากเดินจงกรมแล้วเจ้าค่ะ คือเราก็กําหนดด้วยไหมเจ้าคะแบบที่เราไม่ต้องใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวเป็นกำหนดนะให้รู้ไม่ใช่ให้กําหนดเจ้าค่ะสติไม่ได้แปลว่ากําหนดสติแปลว่าความระลึกได้เจ้าค่ะคือเราต้องพยายามนึกรู้ว่าเราทําอะไรอยู่ไม่ใช่รู้ว่าทําอะไรอยู่รู้เห็นร่างกายมันทํางานรู้เห็นจิตมันทําตรงนี้เจ้าค่ะที่ทําไม่ได้เะ็นแยกจิตใจเริ่มคล่ําครวญแล้วดูออกไหมเริ่มดูเป็นแล้วเนี่ยแยกจิตกับแยกรู้ออกมาตัวเนี้ยยังแยกไม่ได้ไม่ต้องรีบร้อน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 บอกผมรู้แลนะ้วว่าพระอรหันต์ไม่เหมือนกับคนทั่วไปยังไงคนทั่วไปเวลาคิดมันมีอิมเมจพระอรหันต์คิดไม่มีอิมเมจไม่เข้าใจเจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าค่ะไม่ต้องเข้าใจขอบพระคุณเจ้าค่ะสังเกตไหมเราคิดมีภาพขึ้นมามีเราขึ้นมามีภาพแห่งความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมากลับกลับมาสการะหลวงพ่อครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยครับอารู้ว่าตื่นเต้นนะครับ ก็อยากจะทราบว่าเอออยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูเรื่องสภาวธรรมในตัวผมคือผมอยากจะมั่นใจว่าผมปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับแล้วอย่าอยากสิอยากจะมั่นใจรู้ว่าอยากนะ <Okay. S 2> อะไรเกิดขึ้นรู้ไปอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมครับอย่าบังคับตัวเองของคุณรู้ร่างกายไหมนะไม่ต้องไปสนใจจิตมากน ะ, ะเห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะ ร, วรู้สึกบ่อยๆ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 พอทำบ้างนะพอดีเพิ่งนึกได้ว่าคราวที่แล้วหนุ่มพ่อบอกว่าผมมักชอบชอบดูจิตแนละให้มาดูกายแต่ใจมันก็ยังชอบดูดูความคิดอยู่เรื่อยครับมันเป่คเงความคิดนะมันเป่งรู้สึกไหมพอไปดูแล้วมันนิ่งครับมันไม่เป็นธรรมชาติเวลาเราภาวนานะเราอย่าไปดัดแปลงจิตจิตของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเป็นจิตที่ดีที่สุดวิเศษที่สุดเหมาะที่สุดสําหรับการทํำวิปัสสนา เมื่เราอย่าไปทำลายจิตมนุษย์ส่วนใหญ่พอเราคิดถึงการปฏิบัติเราอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งจิตนิ่งๆจิตอย่างนั้นมันไม่แสดงไตรลักษณ์จิตของพรอมนั้นพระพรอมนะภาวนายากกว่าเราเยอะเลยพระพรอมจิตมันนิ่งๆไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูจิตมนุษย์เนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาจิตของสัตว์นรกก็ไม่ดีมันมีความทุกข์คงที่อยู่อย่างนั้นทุกข์อยู่อย่างนั้นมันดูยาก จิตของเปรตนะมันก็โลภอยู่อย่างนั้นนะ่ะอยากอยู่ยนั้นน่ะมันดูยากมันค่อนข้างจะคงทีมอยากยาวจิตของสัตว์ในระชานก็หลงไปเรื่อยๆก็ดูยากนะจิตของเทวดาก็ามีแต่ความสุขความสบายก็ดูยากนะมันเผลอเผล่ง่ายจิตใจของมนุษย์ธรรมดานี่เหมาะที่สุดเลยที่จะทำพิปัสนาเพราะสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานใช่ไหมดีก็ไม่นานชั่วก็ไม่นานมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราแค่มีสติตามดูไปเรื่อยๆ สรุปจุดอ่อนก็คือยังยงเพ่งอยู่ยังเข่งอยู่นะได้เวลาสมควรแล้วครับเหลอสมควรแล้วนะอ๋อยังมีอีกก็ค้าจานะครับพอดีว่าแเวลาผมจะดูสติครับผมจะดูว่าผมจะเอาใจเนี่ยไปผมเจ้าหัวไปคิดมากกว่าดูที่ใจครับอืมเราเปลี่ยนใหม่นะเราก็คิดมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ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 แต่เราไปคิดเห็นไหมดูง่ายเด็กๆดูง่ายหลวงพ่อบอกแล้วพระอาจารย์ครับเราตอนเนี้ผมควรจะฝึกอะไรให้แบบจะได้เรียนหนังสือไปแล้วใจกังวลรู้ว่ากังวลนะใจเป็นยังไงรู้ทันเป็นไปเรื่อยๆรู้เป็นเรื่อยๆทําหน้าที่นะตอนนี้มีหน้าที่เรียนเรียนให้เก่งๆนะเรียนไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราไปแถมตัวนี้แล้วเราจะได้มีทั้งความรู้แล้วเราจะมีทั้งความสุขด้วย คนมีความรู้อย่างเดียวนะหาความสุขอย่างไม่ได้หรอกยิ่งมีความรู้อะไร้คุณธทมนะยิ่งไปทําชั่วได้มากกว่าคนอื่นนั้นเรามีความรู้นะแล้วเรามีสติเยอะเราได้รับความสุขด้วยะพอเราจิตใจเรามีความสุขนะใจเราจะเต็มอิ่มเราจะให้คนอื่นได้อย่างอาจารย์ซุขเนี่ยให้คนอื่นได้นะให้ได้เพราะอะไรเพราะเขาเต็มที่ใจเขาเต็มน ะ, เ, ะเขาเข้ารู้ทันใจ ถ้าใจของเรามีแต่ความอยากแผดเผาตลอดเวลานะใจแห้งผากเลยใจไม่เต็มหลกใจบกพร่องตลอดแล้วเราค่อยรู้สึกรู้ทันในตอนนี้ใจบิดคิดทราบไห ม, <า>มนะหัดตรงนี้นะใจบิดคิดเรารู้ใจไปคิดเรารู้ยกเว้นตอนจะทําข้อสอบนะเราเวลาเรียนเนี่ยครับเวลาแบบเรียนต้องตั้งใจเรียนคนละเรื่องกันโอเคครับเวลาอยู่เฉยๆที่ไม่ได้เรียนนี่แหละชอบแอบไปคิดเลื่อยเปื่อยตรงนี้แหละให้คอยรู้เอา แล้วผมถามอีกอย่างนึงนะครับก็คืออาการแบบเวลาความรู้สึกแต่ความรู้สึกนะครับมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก็คือเราก็เห็นอะความรู้สึกอันนี้มาแล้วก็หายไปเกิดความรู้สึกใหม่มาแล้วก็หายไปแล้วโกรธแม่กับโกรดน้อยมันก็จะต่างกันด้วยใช่ไหมครับโกรธแม่กับโกรธใครนะโกรธมากกับโกรดน้อยครับก็คือโกรธมากกับโกรดน้อยใช่ครับใช่ดีกรีก็ไม่เหมือนกันแล้วโกรธยากมันจะรู้สึกแบบระงับได้ยากกว่าด้วยไหมเราไม่ระงับนะ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 มีความรู้มากนะทํางานดีร่ารวยมีตําแหน่งมีชื่อเสียงมันไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขสังเกตไหมมีใครมีความสุขสังเกตเถอะคนหนุ่มๆหมลอ่ลอๆนะไปเป็นนายกสักพักเดียวก็หัวงอกนะไม่มีความสุขหรอกนะแต่เรานี่แหละจะมีความสุขได้นะเพราะเราถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะเรารู้ทันตัวเองนะความทุกข์จะย่ยํายีเราไม่ได้นะครับขอบคุณครับอ่าตอนนี้หมดแล้ว นะหลวงพ่อกล่าวสรุปนะสรุปก็คือศาสนาพูดสอนให้เราเรียนรู้ตัวเองนะนนเราคอยรู้กายรู้ใจไวเรียนรู้ตัวเองแล้วจะได้อะไรเราจะพ้นจากความทุกข์ใจเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบานอยู่โดยที่ไม่ต้องบังคับนะความสุขในโลกก็มีนะแต่เป็นความสุขที่อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวความสุขในโลกเป็นความสุขที่ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่น แต่ความสุขในธรรมะเนี่ยอยู่ของเราคนเดียวเราก็มีความสุขได้เราเต็มอิ่มของเราได้นะนั้นเราฝึกเอานะเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครทั้งสิ้นเบื้องต้นตัว เ, เราเองฝึกพอเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนในบ้านเราจะเริ่มเห็นต่อไปในบ้านเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขเราไปทำงานที่ไหนคนรอบตัวเราเขาก็จะร่มเย็นเป็นสุขด้วยเราไม่สามารถเปลี่ยนสังคมทั้งสังคมได้นะแต่เราเปลี่ยนตัวเองได้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 ชีวิตเราถึงจะสมบูรณ์ไม่ใช่ขาดวินกับพร่องกับแพร่งทุกวันนี้เต็มไปด้วยคนที่ขาดวินหาความสุขไม่ได้นะตัดตะเกียบตะกายไปหาความสุขที่คนอื่นนะอย่างบางคนนะัต้องให้คนอื่นยอมรับต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขอนะไรนีต้องไปอิงอาศัยคนอื่นตลอดนะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะต้องมีแฟนต้องมีโน้นต้องมีอย่างนี้นะนะต้องมีรถยี่ห้อนี้ถึงจะมีความสุขมือถือต้องรุ่นนี้ถึงจะมีความสุขนะความสุขของเราอิงอาศัยสิ่งข้างนอกทั้งนั้นเลย แล้วเราฝึกตัวเรานะจนเรามีความเต็มอิ่มอยู hmm. really really Clement, enemy, right ่ในตัวเองถ้าเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองเราก็คราวนี้ใจเราจะล้นความสุขมันล้นออกมามันจะเผื่อแผ่คนอื่นด้วยมันจะไม่ได้เข้าไปแย่งชิงคนอื่นเขาแต่มันจะเผื่อแผ่ความสุขไปสู่คนอื่นโดยอัตโนมัติเลยทั้นครูบาอาจารย์ที่ภาวนาเนี่ยสังเกตไหมครูบาอาจารย์นะถ้ามีความสุขเข้าใกล้ๆก็มีความสุขใครเข้าใกล้ก็มีความสุขท่านเผื่อแผ่ความสุขออกไปสู่คนอื่นได้อีกเยอะแยะเลย ถ้เราฝึกนะวันนี้เรายังเด็กอยู่เราฝึกทุกวันทุกวันพอชั่วโมงบินเราสูงเราชํชนานิชํานาญแล้วเนี่ยโอ้โหเราจะเป็นยอดมนุษย์เลยนะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณนะ์อสมควรแก่เวลานะอันนี้เขาผมขอขอเป็นตัวแทนนะครับในการนําถวายทานขอเรียนเชิญคุณพ่อเกงพลคุณแม่ชิรดีครับมีของที่ญาติธรรมนํามาถวายนะครับ เดี๋ยวทุกคนกล่าวคำถวายนะครับข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยไตยธรรมและของถวายทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์จงรับเพื่อประโยชน์สูขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทิน ชาตุหลวงพ่อให้พรตามธรรมเนียมนะจริงไม่ให้ก็ไดนะ้แต่ให้เป็นกำลังใจยะถาวาริวหาปูราภริปูเรนติสาครังเอวเมวะอีโตดินนงเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปปาจันโดปนาโสยถามณีโชติราโสยะถา สพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรารโยสุขีที่คายยโกภาวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังวุธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพะลังล